ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณจะโดยมูนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาภัยบณ์อาภีปุณโญเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งตูม่ฟังเราจะค่อยไปฟังหัวข้อธรร ม, มะในเรื่องของปฏิจจสมุปาทในเอิปโปดที่สอง ด้วยการแจกแจงแต่ละอาการแต่ละอาการเล่เรียงมาจากเรื่องของความทุกข์จนไม่ถึงเรื่องของเบีนาเราก็จะสามารถดูได้ด้วยว่าสิ่งเหล่านี้จะนําไปใช้ในชีวิตประจําันของเราได้อย่างไรกนที่เราจะคิดนึกตรึกตรึกในเรื่องเหล่านั้นให้เรามาคิดนึกตรึกตรึกอยู่กับเรื่องลมหายใจของเราสกรักก่อนวันนี้เราจะเจริญอนาณาปาณสติ เอาสมรรถะ Simple Basic ง่ายๆพื้นฐานกันก่อนเพื่ออะไรจะสร้างปร า, าสาทหอคอยสูงจชั้นสูง1ิชั้น20ชั้นร้อยชั้นพื้นฐาน Foundation ต้องมันคงเราจะให้เกิดปัญญาสูงส่งไปจนถึงนิพพานก็เริ่มจากชั้นที่หนึ่งจะมีชั้นที่หนึ่งพื้นที่ชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันต้องแน่นเหมือนต้องมันคง เริ่มจากสติทั้งบุังสติของเราตั้งอาไว้ลมหายใจเอาพื้นฐานธรรมดาหายใจเข้าหายใจออกทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องกังวลใจ เ, เรื่องอะไรเอาหสิบนาทีจากนี้เราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนั่นนี่โน่นอันนี้ธรรมดาให้เรามีสติอยู่ขรลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจยังเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงจะบั ง, บงคับว่าให้มันเร็วช้าสั้นยาไม่ต้องจะบังคับให้มันลึกให้มันสั้นให้มันทีให้มันห่างไม่ต้องให้มันเป็นธรรมชาติความคิดนึกของเราเหมือนกันไม่ต้องไปคิดว่าปฏิจทสมูปบาท ค, ค อ, อะไรเรื่องนั้นเป็นยังไงอย่ายู่เดๆเดเดเดไม่ต้องบังคับหรือไม่ต้องไปกดดันมันว่าต้องคิดหรือมันต้องไม่คิด เอาแค่ okay, ว่าเรามาจดจ่อใส่ใจไว้อยู่กับลมมันจะคิดใครมันคิดไปแต่เราไม่เพลินไม่เผลอไปตามความคิดเหล่านั้นมีความคิดมากกมาแต่ว่าใส่ใจอยู่กับลมไม่ลืมลมไปด้วยเสียงมากกามาแต่ว่าไม่ตามเสียงไปอยู่กับลมมีกลิ่นคนข้างบ้านจะทำอะไรก็ธรรมดาเราไม่ตามกลิ่นนั้นไป ด้วยการที่ไม่ลืมลมหายใจถ้าบาทีกลิ่นมันแรงมากหรือความคิดนึกมันเยอะมากเนี่ยจะว่าตามไปมันก็ไม่ใช่ว่าเปลินไปแต่อย่างน้อยเอา้าไม่ลืมลมก็แล้วกันนะถ้าไม่ลืมลมหายใจได้ในขณะที่เราได้กลิ่นเห็นภา้าได้ยินเสียงมีความคิดนึกอันนี้ถือว่าดีมากนะทุกท่ดีมากดีมากเพราะว่าเรามีสติโยลม์ไง ความระลึกถึงลมได้นั้น น, ะน่นนะคือสติความระลึกถึงคือสติลมหายใจไม่ใช่สติความคิดไม่ใช่สติเสียงไม่ใช่สติแต่สติเกิดขึ้นจากเสียงสติเกิดขึ้นจากความคิดสติเกิดขึ้นจากอะไรต่งตางๆได้หมดอะตราบใดที่ถ้าเราไม่ลืมลมตราบใดที่ถ้าเรามีที่เระลึกถึงที่เกาะที่ตั้งอยู่ ในที่นี้อาการที่เราไปเกาะเราไปตั้งเราไปนึกถึงอยู่นี่คือที่ลม้มในอาการนี้เรียกว่าสติรักษาสติรักษาจิตรวัยให้อยู่อย่างเหมาะสมให้อยู่อย่างมั่นคงฟังเทศฟังธรรมไปก็อย่าลืมลมอย่าเข้าสมาธิลึกเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงมันจะไม่สนใจอะไรเลยแต่เข้าสมาธิปอประมาณประมาณ ฟังอะไรแล้วก็ให้จิตของเรามาอยู่ที่การฟังไม่ได้จะไปอยู่ที่หูไม่ได้จะไปอยู่ที่ผู้พูดแต่ให้จิตของเรานั้นมาตั้งอยู่ไว้กับโสตวิญญาณคือการฟังที่หูทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไหลเกรงคอเกรงหลังร่ยงกายยังธรรมชาติธรรมดาจิตใจให้ตั้งไว้อยู่กลม รักษาจิตของเราที่เป็นสตินี้ไว้รักษาสติที่จดจ่อไ้อยู่กัลมรักษาจิตที่ตั้งไว้อย่างนี้ให้ดีอา้าว่ะตัมบูฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะ ที่เป็นแม่บทคำสอนอันพระผู้มีพระป้าเจ้าได้ประกาศไว้ยอย่างดีเป็นการกำหนดบทพยัญชนะที่มีความรัดกลุ่มรอบคอบชัดเจนไม่หลหลวมมีการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำหน่ายแจกแจงยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเพื่อที่จะเป็นการมอบส่งปัญญาให้ พระพุทธเจ้าเนี่ฟังอยากให้ทุกคนมีปัญญาทรงให้ทุกคนมีความรู้ลองคิดดูสิว่าถ้าปัญญาอันใดความรู้อันใดความสามารถอันใดที่พระพุทธเจ้าท่านมีแล้วท่านมอบให้เราอ่ะให้เราได้เป็นผู้มีส่วนแห่งปัญญานั้นความเพียร น, นั้นความสามารถนั้นความรู้นั้นโอ้ยก็ต้องเอาะสิ ให้มากันขนาดนี้ของดีๆอย่างนี้รีบควา้ารีบเอารีบฉกฉวยออกไปเลยสิ่งเหล่านี้มันส่งต่อมาทางคำสอนเหล่านี้แหละท่านผฟังไม่ได้มีทางอื่นไม่ได้มีวิธีการอย่างอื่นไม่ได้มีรูปแบบอื่นนะนี่คือคำสอนอันพระผู้มีพระปากตรัสไว้ไดีแล้วดีอย่างนี้ อย่างนี้จึงเป็นของดีถึงทางกรมประเสสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้จดให้มีรายการธรรมรับรุนซึ่งทางบูณิติปัญญาภาวนาโดยพระมหาใบบุญอาภิปุณโญก็มารับทาหน้าที่ให้ตมุูฟังได้ฟังธรรมะเหล่านี้กัน ทุกวันตั้งบฟังขบระชามาเจาะจงลงในวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะนำหัวข้อธรรมะนั้นมาอธิบายวันนี้นำเสนอเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในตอนที่สองในเอพิโซดแรกสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทโดยความที่ เป็นเหตุเป็นผลทั้งความเกิดและความดับประการที่สองคือความที่มันเป็นคู่และมาต่อต่อกันเป็นสายที่เราต้องมาศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้พระาศาสนาตั้งอยู่ได้นานคนที่จะฉลาดในเรื่องปฏิจจสมุปาแล้วนั้นจะสามารถทาที่สุด แห่งทุกได้เลยอย่างที่3มที่เราได้เรียนรู้ในเอ i s o d e ที่แล้วทบทวนความจํากัน น, นิดนึงก็คือปฏิจจสมุปบาทนั้นก็มีอริยสัจ ส, สอยู่ในตัวของเขาในแต่ละอาการเป็นทั้งอริยสัจ ส, สีเป็นทั้งไตรลักษณ์เป็นทั้งการเกิดแห่งทุกข์และความดับทุกขอยู่ในตัวเดียวกันลหลายอย่างมันอยู่ในนั้นใน เอพิโซดที่สองวันนี้คือถ้าท่านผฟังยังไม่ได้ฟังเอพิโซดแรกไม่เป็นไรนะในซีรีส์เนี่ยมันก็จบในตอนจะฟังตอนที่2ก่อนตอนที่3ก่อนแล้วก็ไปฟังตอนที่1ก็ได้เนื้อหานี่มันก็จะสนับสนุนกันเชื่อมโยงกันในวันนี้จะนําเอาเรื่องแต่ละเรื่องอาการแต่ละข้อมาอธิบาย ที่ท่านยกว่าเป็นเหตุเป็นผลสมชาได้อธิบายถึงความที่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลยุ่ืสวยฉายหรือไม่ใช่เหตุผลอะไรก็ได้ที่จะนึกออกแล้วก็หยิบยกขึ้นมาเชื่อมโยงกันคือกิเลสนี่มันทำไมเกิดความเชื่อมโยงกันไปได้ทุกอย่างอยู่ตัวอย่างเช่นว่าเด็กนักเรียนแม่มันไม่รู้จักจัดห้องไม่รู้จักทาความสะอาด ห้องให้เรียบร้อยพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้ลูกสุดสัปดาห์นี้นะถ้าลูกทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยนี่เดี๋ยวพ่อจะพาไปดูหนังโห้ลูกนี่รีบทาความสะอาดห้องให้เรียบร้อยเลยเพื่อที่ว่าจะได้ไปดูหนังกับพ่อเอาการดูหนังมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับห้องสะอาดในความที่ว่าสะอาดมันก็สะอาดไปแต่ดูหนังก็ดูหนังมันคนละอย่างถ้าบอกว่าเราจะบอกว่า เหตุปัจจัยแห่งการได้ไปดูหนังคือการที่ห้องสะอาดว่าเด็กคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยหรือว่าคนคนอื่นเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างงี้ทุกคนเฮ้ยมันก็ไม่อาการลิโกะใช่ไหมละ่ะเอาล่ะที่มันมาเชื่อมโยงกันได้นี่บ้าอะไรเพราะเงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้นจากความอยากนั่นเองคือกิเลสตัณหาความอยากกิเลสความเศร้าหมองมันทำให้มันไปเชื่อมโยงอะไรกันที่มันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลของมันนะก็ได้หมดอนะ ตามอะไรตามความอยากถ้าอยากมากก็ไปเชื่อมกับนัน่นอันนี้ว่าคิดนึกปรุงแต่งไปไม่ใช่ยูนิเวอร์ลไม่ใช่เป็นอากาลิโกไม่ใช่เป็นความจริงที่ประเสริฐคือไม่ใช่อริยสัจไงท่านด้วยความที่ไตรตรองใกล้ครวนด้วยปัญญาอันแยบขายจึงได้ลิสต์รายการของสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันเนี่ยออกมา ว่านี้คือลึกละชัดเจนละเป็นอาการลิโกเป็นยูนิเวอร์แซลกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กคนชราแก่หรือหนุ่มจะเป็นเทวดามนุษย์สัตว์นรกหรือใครก็ถามก็จะต้องมีอาการต่างๆเหล่านี้าการบัญญัติการพิจารณาตราตรองเท่านนี มีความรัดกลุ่มมีความชัดเจนด้วยปัญญาเนี่ยอย่างนี้นะอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะไล่กันไปตีระอาการดูฟังในขั้นต้นก่อนว่าเออเรื่องนี้มันมาได้ไงความเป็นเหตเป็นผลนี่มาได้ไงความเป็นเหตุเป็นผลมันก็มาจากความเป็นเหตุเป็นผลนั่นแหละมันก็เป็นปัญญาเป็นการคิดนึกเป็นการวิเคราะห์เป็นการแยกแยะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คืวิทยาศาสตร์นี่ยเก็จะบูดถึงเหตุผลใช่ไหมละ่ะเออไอเหตุผลนี่หลักการนี่แหละนะเอามาใช้จะแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์จะแก้ปัญหาในชีวิตเราต้องเห็นปัญหาหนึ่งก่อนปัญหานั้นก็คือเริ่มจากเรื่องความตายมันก็มีแก่พ่วกมาด้วยคือการบัญญัติของพระพุธทธเจ้าเนี่ยท่านมาทําให้รับครอบรัดกลุ่มภายหลังตอนแรกมันก็คิดแก้ปัญหาเรื่องความตายเนี่ยละก่อน สุดท้าย่าลลังก็เอาเรื่องความแก่มาจัดหมวดลง ก, กันกับเรื่องความตายด้วยแล้วลยเรียกเจ้าเนีววมเป็นทุกข์เห็นได้ชัดเจนว่าทุกคนต้องมีเดวดาก็ยังมีแก่มีตายมนุษย์บางคนอาจจะไม่แก่ตายแต่ว่าก็ตายตอน ห, หนุ่มๆตอนสาวๆก็ได้มีหมดทุกคนเอ๊ะเพราะอะไรมีความแก่ความตายจึงมีท่านคิดอได้คำตอบออกมากว่า เพราะมีการเกิดสิ่งนี้ต้องตนต่อการปิงพิสูจน์ด้วยนะว่าเอาแล้วถ้าการเกิดดับไปความแก่ความตายมันจะดับไปได้ไหมเออได้ลองคิดเล่นๆ น, นะสมมติถ้บาบอกว่าเราบอกว่าเหตุของความแก่ความตายเนี่ยมันคืออุบัติเหตุมันคือโรคมะเร็งมันคือโควิดอย่างเงี้ยอา้าวก็แล้วถ้าไม่มีโควิดแล้วคุณจะไม่แก่ไม่ตายหรอ หรือถ้าไม่มีอุบัติเหตุคุณจะแก่คุณจะตายไหมโม้ยบงคนก็ตายโดยโอดอาหารตายอ่ะไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นโควิดแต่ก็ตายได้อา้ามันไม่ถูกนะเนี่ยเหตุที่ว่าเป็นมะเร็งบ้างเป็นโควิดบ้างไม่ใช่เหตุจริงๆของชจ้วความตายนี่คิดแบบนี้นะไร ต, ตรองก็ไรกวนด้วยปัญญาจึงได้ว่าออกความเกิด แลักา น, นี้ท้าฟังสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการที่วเราจะหาเหตุของเช่นทำธุรกิจนี่เงี้ยอ่ะที่เราจะทำไงถึงจะได้ประสบความสาเร็จในธุรกิจนี้อ่ะเราต้องคิดหาเหตุก่อนว่าถ้าไม่มีเหตุนี้ก็จะไม่สำเร็จแต่ถ้ามีเหตุนี้จะสำเร็จได้การคิดกลับในมุมทั้งเกิดและดับนี้ จะเป็นตัวที่ตรวจสอบไปในตัวเราบุรุษชาใช้หลักการนี้ตั้งแต่ตอนอยังเป็นโพธิสัตว์คือสะสมพลังปัญญาภายหลังต่อมาจึงได้บัญญัติในเจ้าชื่อความแก่ความตายนี้ชื่อความเกิดนี้อธิบายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอย่างไรอย่างไรขบบร้าพเจ้าก็จะไล่ไปทีล ะ, ละคู่ละคู่ทีละอาการอาการ ต่อเนื่องกันใี่เหมือนเป็นสายเป็นสายไปได้แล้วเจ้าความแก่ความตายเป็นยังไงคือความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่ความกรำมกล้านี่ก็เรียกว่าความแก่ส่วนความตายคือการที่อินทรีย์คือชีวิตนั้นแตกหายไปการตายการเข้าลงการแตกแห่งขัน ความเคลื่อนออกจากสภาวะนั้นนีเรื่าความตายสองอย่างนี้รวมกันหรือว่าความแก่ความตายนีท่านนิยามขึ้นเปิดตัวแปรขึ้นว่าสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่ด้วยหัวข้อว่าชรามรณะเนี่ไส่ในเนี่ยเป็นงี้นะโอเคเอแล้วความเกิดล่ะความเกิดนี่ก็คือการก้าวลงสู่คันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่ง สองข้อ น, นี้หมายถึงคนเราบงที่มันมีการเกิดสองครั้งยกตัวอย่างเช่นนกอย่างนี้นะหรือไก่อย่างนี้นะไก่เนี่ยมันคลอดออกมาจากคันแม่ฟังดีๆนะท่านฟังไก่มันมีคันที่ไหนเล่ามนุษย์ต่างหากอยู่ในคันนีม้มัล่ะแต่ไก่เนี่ยมันเป็นไข่มาก่อนมันออกจากท้องของแม่ไก่เนี่ยเป็นไข่มีออกครั้นที่หนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นครั้งที่สองคือออกจากไข่ออกมาเป็นตัวนี่จึงมีการเกิดโดยยิ่งไปอีกครั้งหนึ่งสัตว์บางประเภทอาจจะมีสามครั้งตัวอย่างเช่นพวกผีเสื้ออย่างเนี้ยตอนแรกก็เกิดเป็นไข่ใช่ไหมไข่เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนอนนอนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นดักแด่ดักแด้แล้วก็เปลี่ยนเป็นผีเสื้อนี่ วงจรชีวิตเหมือนเป็นไปอย่างนี้ก็จะใช้คาว่าเกิดนันยิ่งต่อไปแล้วต่อไปหรือไม่แต่มนุษย์เราเองก็ได้คุณเกิดจากขั้นเกิดจากขั้นอีกครั้งหนึ่งละนี่เกิดเป็นคนธรรมดานะทีนี้ต่อมาเรียนความรู้ต่างๆนั่นนี่เราเกิดเป็นคนดีขึ้นมาได้การเปลี่ยนแปลงจากคนธรรมดาให้เป็นคนดีเป็นอริยะเป็นประเสริฐขึ้นมา หรือเป็นการเกิดใหม่ก็ได้หรือจากความเป็นเด็กเกิดมาจากคันแม่เป็นเด็กเป็นเล็กเล่นอะไรต่างๆนั่นนี่โตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถือว่าเกิดใหม่ละมีลักษณะความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปมีอุปนิสัยเปลี่ยนแปลงไปมีการกระทาที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนเป็นคนใหม่ขึ้นมาจะใช้สำนวนแบบนี้ก็ได้เป็นการเกิดโดยอิงหรือแม้แต่ว่าคนที่ หรือแม้แต่เวลาที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วต่อไปก็เป็นคนแก่เนี่ยนะความเกิดเป็นคนแก่ขึ้นมานี่มันก็ปรากฏขึ้นไสภาวะแบบเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปมีใหม่ขึ้นมาบางคนเนี่ยเกิดสถานการณ์ในชีวิตเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยหรือไปเรียนความรู้ใหม่ๆแล้วก็มีการกระทำที่เปลี่ยนแปลงไปแต่และอย่างละอย่างนี่ถือว่า เป็นชีวิตใหม่เป็นกำเนิดใหม่ได้หมดหรือแม้แต่บวชปลาเองก็ได้นะดูฟังประสงค์นี่จากคนธรรมดาลูกชาวบ้านบ้างลูกชาวนาบ้างลูกกษัตริย์บ้างเป็นเชื้อเจ้าบ้างพอมาบวชแล้วนี่ถือว่าเกิดใหม่นะเกิดใหม่เป็นหน่อของสมณะพอเกิดแล้วเป็นพระติก็เป็นพระธรรมดานี่แหละ เราจะปฏิบัติทําทําความเข้าใจอะไรต่างๆให้มากขึ้นเกิดในความเป็นอเรียบุคคลก็ชื่อว่าเกิดใหม่นะการเกิดใหม่แบบนี้คือการเกิดโดยยิ่งขึ้นไปไงหรือแม้แต่กษัตริย์นาะคนที่เป็นพระราชาเป็นพระชจ้าเป็นดินนี่ตอนแรกเกิดก็เกิดจากคันแม่ธรรมดาใช่ไล่ะเสร็จแล้วก็เกิดครั้งที่สองนี่ก็เกิดตอนที่เขาแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ คือไม่ได้เกิดเป็นกษัตริย์ตั้งแต่คลอดออกจากคันมารดาแต่เขาต้องมีพิธีราชาพิเศษซะก่อนนี่ก็จึงถือว่าเป็นการเกิดใหม่คติอิกแบบหนึง่งลักษณะเหล่านี้เรียกว่าการเกิดทั้งสิ้นเลยมุวังให้เข้าใจลักษณะการสอนการบัญญัติของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าเรื่องการสื่อสารสมัยก่อนนั้น มันใช่หลักการเรื่องของคําพูดถ้าจะมายกคําพูดหรือคอนเซปต์อันใดอันหนึ่งด้วยคําที่มันยืดยาวมากเนี่ยมันก็จะอธิบายแล้วมันจะหลงประเด็นได้หรือมันจะช้าเกินไปก็จึงต้องมีการประกาศตัวแปรกนะันเอาไว้ก่อนว่าโอเคหัวข้อว่าเกิดนี่นะไส่ในเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมีทั้งเจ็ดปดอย่างอย่างนี้นะแล้วหลังเนี่ยฉันพูดว่าเกิดที่ไหนเนี่ยฉันหมายถึงตรงนี้นะ บทเปลี่ยนชนะของท่านเนี่ยก่อนและหลังจะไม่ขัดกันบทเปลี่ยนชนะของท่านหลังที่พูดตามคําก่อนนู้นเนี่ยจะลงรับกันในเรื่องคําสอนเนี่ยท่านก็จึงให้แบบต้องเป๊ะทุกคำอะเวลาพวกนักนเรียนบาลีหรือพระเวลาฟังคําสอนตัวเรานําฟังมาแล้วใช้ปฏิบัติก็ต้องให้มันไปทุกคํา เน้อไอชัดเจนว่าแต่ละคำในหมายถึงอะไรยังไงนี่คือเรื่องของการเกิดอ้าวเพราะมีความเกิดจึงมีความแก่ความตายเพราะความดับไปแห่งการเกิดจึงมีความดับไปแห่งความแก่และความตายอ้าวแล้วเจ้าความเกิดล่ะลายไปเพราะอะไรมีความเกิดจึงมีความเกิดมีได้เพราะอะไรคิดไปคิดมาออเพราะมีภพบพนี่คือความที่เป็นสภาวะ มาจากค า, าว่าคือสภาวะสภาวะนี่นเป็นยังไงคือมี time and space นั่นเองความมีสภาวะการที่มีเวลาและสถานที่อย่างเราอยู่บนโลกมนุษย์นี่เป็นสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงอย่างนี้เวลามันเดินแบบนี้มีกฎฟิสิกส์แบบนี้เนี่ยือมี space คือ สถานที่มีไทม์คือเวลามีเวลาสถานที่แบบนี้แต่ในขณะที่สวรรค์สวรรค์ก็มีไทม์แอนด์สเปซแบบหนึง่งมีกฎฟิสิกส์แบบหนึง่งนรกละ่ะนรกก็เป็นที่ที่เป็นไทม์แอนด์สเปซแบบหนึง่งมีกฎของเขาอีกแบบหนึง่งเป็นสภาวะที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนยังไงเวลาเราจะวัดอะไรดูอะไรเนี่ยนะ ไม่ว่าจะกดฟิสิกส์อย่างเงี้ยหรือกฎคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยหรือกดเคมีเหล่านี้เวลาเขาจงวัดเนี่ยเขาก็วัดจากว่ามันเข้มข้นเท่าไหร่อุณหภูมิยังไงมันเร็วหรือช้าใช่ปะละ่ะซึ่งพวกนี้คุณดูดูได้ไงโอ้ก็ดูจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจ5้าอย่างนี่นแหละนี่ก็จึงเรียกว่าเป็นอายตนะไงอายตนะเนี่ยคือเครื่องขยายนะเรื่องขยายนี่ก็หมายถึงเครื่องวัดนั่นแหละ วัดดูว่าถ้าเปรียบเทียบเราจะรู้ทางตาได้ยังไงโอมันจะไปยังไงไปทางไหนก็ต้องด้วยความเร็วก็ต้งวัดระยะทางก็ดูด้วยตาเนี่ยแหละหรือว่าเสียงะเสียงดังเสียงค่อยก็ฟังด้วยหูใช่ไหมละ่ะจะวสว่างจะมืดก็ดูด้วยตานี่เครื่องมือวัดทั้งหมดกดพิสิกสดงต่างๆก็นิสัยมันอยู่ที่ตาหูจมกูกลิ้นกายและใจนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูว่าอันิี้สปาว่าไหนพบไหนเราก็ดูที่ลักษณะของ รูปเสียงกลิ่นรสปวดบัตธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจของสัตว์ที่มันเกิดอยู่ตรงนั้นคันเป็นยังไงกูยกตัวอย่างได้ยงมนุษย์นี่เราก็จะอยู่ในสภาวะคือความเป็นภพใช่ไหมที่จะมีรูปเสียงกลิ่นรสปรดบัตและธรรมารม์ที่สุขก็มีทุกข์ก็มีเจือปนกันพอประมาณในขณะที่นรกนี่โอ้มีสุข น้อยมีทุกข์มากสิ่งที่ได้เห็นที่ได้ยินนี่มันปรากฏมีทุกขเวทนามากกว่าสุขเวทนามากๆในทางตรงกันข้ามเทวดาพวกนี้เขาก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รับรูปเสียง ก, กุณนนรลวัฏพัทธมรลมที่เป็นสุขมากกว่าเป็นทุกข์มากๆความเป็นสาบายมันต่างกันตรงนี้นี่คืออธิบายแบบ กวา้วางเลยนะจะเจาะลึกลงไปนี่ท่านก็จะยกตัวอย่างถึงความที่สัตว์นรกเนี่มันทุกยังไงความเป็นอยู่เนเขากินอะไรเขานุ่งห่มยังไงเขาไปไหนสัตว์นรกเนี่กินน้ําด่างที่เป็นฝนกรดตกลงมาพูดง่ายๆคือไม่มีอะไรกินนะ่ะสวรรค์ น, นี่เขากินอาหารทิพย์มนุษย์นี่กินอาหารหยาบยังต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะ สวรรค์นี่เขามีการละเล่นการหาความสุขเล่นดนตรีอะไรต่างๆทั้งวันทั้งคืนในขณะที่มนุษย์นี่ถ้าคุณจะเล่นกินกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่ทำมาหากินก็ไม่ได้มันก็ต้องมีจังหวะเล่นจังหวะกินใช่ป่ะในขณะที่นรกนี่ไม่มีอะไรจะเล่นเลยมีแต่เบียดเบียนทาร้รายกันคือจะรู้ถึงสภาวะต่างๆเหล่านั้นก็ผ่านทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายและใจ ในบระสูตรส่วนที่เป็นกุตกนิกายวิมานวัตถุนี่จะอธิบาย เ, าเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ความสภาวะเขาเป็นยังไงยังไงบอกไว้เเรื่องพวกนั้นบางทีเราอ่านอ่านไปเราก็ไม่ได้เห็นจริงอะ่ะใช่ปะละ่ะเราก็ไม่ได้ขึ้นไปดูบนสวรรค์หรือดูลงในนรกไม่ต้องออกาไกรตรงฝั่งเอามนุษย์นี่แหละพบในมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันความเป็นสภาวะ ของมนุษย์ที่มีอันจะกินบอกได้เลยมีความเป็นสภาวะแบบหนึ่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีอันจะกินนั่นก็เป็นสภาวะแบบหนึ่งต้องเคยเปรยียบเทียบไว้ระหว่างคนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติหรื อ, อยากจนมากเนะ่ยจะกินอะไรจะทําอะไรมันติดขัดไปหมดนี่คือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจที่เราเห็นได้นะชีวิตคนที่มันแบบว่ายากจนข้นแคนมากๆเลยสภาวะความเป็นพบของเขานี่ เขาโทษทำอะไรมันก็ยากอนี้นมันจะยากปานั้นแลาวมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีอันจะกินมากๆเลยเนี่ยนะทําอะไรนี่มันราบรื่นไปหมดนะทําอะไรนี่ก็มีคนช่วยทําอะไรนี่ก็มีคนสนับสนุนจะกินจะนั่งจะเดินจะนอนมีแต่คนอุปตัมอุปตากช่วยเหลือดูแล้ทําไมมันง่ายไปหมดอย่างนี้มันเหมือนอยู่คนละโลกกันนะ แต่นี่คือโลกเดียวกันที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่แหละท่านผู้ฟังที่สูดได้เห็นได้ด้วยตาและหูทุกคนเห็นว่าเอ้มันไม่เหมือนกันอในนี้เนี่ยชาติการเกิดใช่ญยุ่เกิดออกจากกันเหมือนกันแต่นั่นเขาเกิดออกจากเด็กหลอดแก้วโอ้จะทำโปรซิวเนี้เป็นแสนแสนเหเรานี่แม่มีลูกหลายคนจนไม่รู้จะเลีเ้ยงยังไงอยากจนบ้างอะไรบ้าง มันก็ต่างกันก็เกิดจากขั้นเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะอยู่บนโลกมนุษย์เหมือนกันแต่เป็นคนละสภาวะกันคือเหมือนคนละภพกันเหมือนคนละโลกกันนะดูไม่ต้องเอกไกลเอาสุนัขนี้ระวงังถ้าเกิดเป็นหมาข้างถนนนี่สภาวะหนึ่งนะภพอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าหมาของดาราอย่างนี้หมาของเจ้าสูวอย่างนี้อุยเขาให้นอนท้องแอร์นะแล้วก็มี คนมาตัดแต่งขนให้มันทุกๆเดือนกินหนอะสเต็ก ค, ครับหมาจะมาพูดอะไรเศษอาหารเขาโยนให้ไม่มีเขาจัดสํำรับพิเศษไม่ได้กินของเหลือของเศรษฐีด้วยนะสําหรับนี่ต้องพิเศษสําหรับหมานี่เท่านั้นนี่ก็ไม่ก็หมาเปาละ่ะก็เกิดเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันคนละสภาวะกันเนี่ยการเกิดโดยยิ่งมันก็จึงเป็นแบบนี้ในภพในสภาวะ ที่เป็นแบบนี้คือธบุฟังต้องไปกับข้าพเจ้านะไปกับข้าพเจ้านี่คือหมายความว่าข้าพเจ้าเนี่ยพยายามที่จะอธิบายให้มันละเอียดนะคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะพูดให้จบในแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้ก็ตามที่พระพุทธเจ้าเคงอธิบายไว้คือยังไงตา่างผู้ต้องเอาตามนั่นแหละนะแต่จะขยายความมากหรือน้อยเนี่ยปฏิจจสมุปบาทคือความเป็นเหตุเป็นผลเป็นกฎแห่งอิทัศปัญญาตาเป็นอย่างนี้แหละนะ เอ๊ว่างจบแหมจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็จบได้เคยพูดไปแล้วในรายการธรรมาราบรุนตั้งแต่ช่วงที่เรายังมีเวลาด้วยกันแค่ครึ่งชั่วโมงนี่เคยพูดไปแล้วเรื่องนี้แต่วันนี้เรามาศึกษาทำความเข้าใจเรามีเวลาอยู่ด้วยกันเป็นลหลายเอพิโซดหลายตอนเป็นซีรีส์ในตรงฟังเือมันสามารถที่จะเจาะลึกลงไปในคาแรคเตอร์ของ แต่ละคนลักษณะของธรรมะแต่ละข้อให้ละเอียดรัดกลุ่มตามที่พระบุตรจาทตินได้บอกไว้สอนไว้สิ่งนี้มันมีประโยชน์นะประชันนันธรรมุฟังต้องไปกับก้าพระเจ้าเข้ไหมเราไปด้วยกันเราศึกษาทำความเข้าใจไปแต่ละจุดละจุดไล่เรียงให้ชัดเจนรัดกลุ่มประการต่อมาท่านคิดนะ อ๋อเพราะมีภพเนื้จึงมีการเกิดแม่ถ้าภพดับไปการเกิดมันก็ดับไปใช่แม่นอิลีถูกต้องเลยเอาแล้วเจ้าตัวภพล่ะเจ้าตัวภพนี่มันยังไงเพราะอะไรมีความเป็นสวาวะความเป็นภพนี่มันจึงมีดูกนะ่อนนะหย่บเรื่งไปกลาเอาคู่ภพและชาติชาติและภพนี่เอาตัวอย่างสุนัขนี่ก็ได้ ถ้ามันไม่มีความหรูหราอะไรของสุนักนี่นะไม่มีพบนี่การจะมามีการบังเกิดอันยิ่งโดยความเป็นสุนัขชั้นสูงอย่างนี้นะมันจะไม่มีเพราะว่าความที่ว่าก็ตาเหมือนกันหูเหมือนกันจมูกเลี่ยงกายใจเหมือนกันเหมือนกันก็ดีเป็นสภาวะนแต่ถ้ามันไม่เหมือนกันนี่จะเป็นอีกสภาวะหนึ่งใช่ปะพอไม่เหมือนกันแล้วเขาก็ถึงยกตัวขึ้นมายกตัวที่เปลี่ยนแปลงไปการที่บอกว่า เรียกชื่อใหม่ซึ่งเป็นสุนัขชั้นสูงจะเป็นสุนัขชั้นต่ำจะเป็นหมาข้างถนนพวกนี้มันก็จึงเป็นการเกิดโดยยิ่งของแต่ละสภาวะนั้นสภาวะนั้นเอาตัวอย่างคนแก่กับคนหนุ่มสาวนี่ก็ได้คนแก่นี่ตามเปลี่ยนแปลงไปแล้วคือไม่ค่อยเห็นไม่เห็นหูมองไม่ชัดเจนหรือหูเนี่มันไม่ค่อยได้ยินแล้วจมูกร่างกายใจก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ปะ ลักษณะนี่คือสปาวะของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับตอนเป็นหนุม่มเป็นสาวล่ะความที่ว่าเขามาอยู่ในสปาวะนี้เราจึงเรือกได้เลยว่าอ๋อเกิดเป็นคนแก่แล้วมีสปาวะของความเป็นคนแก่แล่ะเราจะไม่มันมีสปาวะนี้เกิดขึ้นมาได้ไงนะ เ, เพราะว่าความเสือเส่อมไปเสื่อมไปแห่งรอบของชีวิตของเราไงมันเสื่อมไปเป็นอย่างนี้มันก็เลยเกิดเป็นสปาวะใหม่ขึ้นมาแล้วพบก็จึงเป็นอย่างนี้ท่าก็จึงเป็นอย่างนี้ ท่านยังคิดต่อไปอี้องฟังว่าเพราะอะไรมีนาะพบจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีพบนีตั้งแต่ตอนเป็นบริษัทคิดข้อนี้เ ร, รามาไตรตรองรใกล้โครนดูนะดูวังความเป็นสวามีอย่างเงี้ยมันมีมาได้งไงโวก็มีผู้สร้างผู้สร้างในสร้างตึกสร้างอาคารเอาไวา้จึงเป็นแบบนี้อ๋อแล้วใครสร้างผู้สร้างละ่ะหนึง่งไหม มันก็ต้องมีอะไรที่ต้องเป็นก่อนหน้านั้นมาคือมันถ้าเอาเหตุผลเรื่องแบบนี้มันจะไม่ universal มันจะไม่เป็นอากาลิโกมันก็จะเป็นเฉพาะสําหรับบางกลุ่มบางคนแหมถ้างั้นเราก็จะมาค่อยมาประกาศว่าอาริ ย, ยสัจสําหรับผู้ชายอาริ ย, ยสัจสําหรับผู้หญิงอริยสัย์สําหรับคนแก่ความจริงําประเสริฐสำหรับเด็กอย่าง hier, เหี้ยอร์ชั่นใหม่เราไม่นําซ้ําอย่างจะต้องก็ออกของปี2563ไว้ก่อนเวอร์ชั่นนี้นะ ซึ่งแก้ไขปรับปรุปรงจากฉบับของปี2560นู้่นซึ่งไอ้ฉบับของปี2 5 6 0เนี่ยแก้มาจากปีส4 0 0โอ้ยมันก็ไม่เป็นอาการลิโกไงมันไม่เป็นความจริงตลอดการมันยังต้อเปลีป่ยนแปล ง, ปลงตามพอสอนนั้นตามบุคคลนั้นมันไม่ถูกมันจะไม่ใช่คำสอนที่ดีได้นะจะไม่ใช่สบาาัสขาธรรมเลยขอไท่านจะคิดด้วยปัญญา ไรตรองแกร่งเกรวด้วยความเชัดเจนรบอบความรักกลุ่มว่าเพราะมีอุ ป, ปาทานคือความยึดถือเป็นปัจจัยจึงมีภพคือความเป็นสภาวะเพราะมีอุ ป, ปาทานคือความยึดถือเป็นเหตุจึงทาให้มีผลคือภพความเป็นสภาวะเพราะอะไรดับไปหนอความเป็นภพจึงดับไปเพราะอะไรไม่มีหนาะภพจึงไม่มี โอ้ใช่เพราะอุปทานนั่นแหละถ้ามันไม่มีนะใ้ความเป็นภพนี่จะไม่มีถ้าอุปทานดับไปนะความเป็นภพจะดับไปยังไงนะต่้งโยโกหัวกอขึ้นเลยใช่ปะ่ะไอคนที่มาศึกษาฟังต่อมาเนี่ถ้าฉลาดก็เก็ตเลยอะเข้าใจเลยว่าโอ้อยางงี้นี่เองปิง๊งแต่ว่าถ้ายังไม่เข้าใจยังไม่เก็ตต้องอธิบายต่อไปว่ากติพพเมื่อสักครู่ไงที่อธิบายว่า คือความเป็นสภายใช่ไหมดูจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แบ่งออกกอว้างๆนะคือการมาพบรูปประพบแล้วก็รูปประพบซึ่งการแบ่ง3าอย่างนี้ก็คือตามลักษณะของตาหูจมูกลิ้นกายและใจนึกว่าถ้าตาหูจมูกลิ้นกายยังแน่นยังหนายังตึงอยู่มากเลยเต็ไมไปด้วยสิ่งเหล่านี้ก็คือการถ้าลดสิ่งเหล่านี้ลง แล้วเน้นมาทางด้านทางใจไม่มีการคือเรียวกว่ารูปภพแ้วถ้าไม่มีรูปเลยเหลือแต่ใจอย่างเดียวก็คืออรูปภพนี่คือพใช่หส่วนเจ้าอุปาทานคือความยึดถือนี่หมายถึงความที่จิตของเรานี่มันเข้าไปยึดเข้าไปถือเอาโดยความเป็นตัวตนฟังให้ดีนะอุปาทานนะความยึดถือนะ มันจะยึดถือโดยความเป็นตัวตนยึดถือโดยความที่ว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้สิ่งนี้มีในชั้นฉั้นมีในสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นชันฉันเป็นสิ่งนี้ลักษณะของอุบาตานจะไวยเกิดความเข้าใจไปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเช่นว่าผู้มีการบูลลี่กันเรื่องสีผิวอย่างนี้หรือเรื่องความอ้วนนี้ หรือเรื่อง LGBTQA+ อย่างเงี้ยว่าคนที่มีแบบเนี้ยสปาว่าแบบเนี้ยแหมมันแบบเป็นคนชั้นสองเป็นคนที่จะไม่ได้รับการยอมรับใช่ไหมแล้วก็พอคุณเป็นกระเทยเงี้ยก็ไปบูลลี่เขว่าเฮ้ยคุณเป็นกระเทยหรือคนนี้ผิวดําหน่อยโอยคนนี้ผิวดําคนนี้ผิวขาวหน่อยโอ้ยคนนี้เป็นคนเผือกคือไปบูลลี่เขา ม่ว่าจะไซเบอร์บูลลิงหรือว่าพูดเซล์พูดล้อเล่นพูดหยอกในสิ่งที่เขาเป็นอย่างนี้นะคนเราเนี่ยมันเกิดมาจากคันมารดามันก็เป็นคนเหมือนกันนะเป็นคนเหมือนกันมีเซลล์มีโครโมโซมมีสวาว่าพันธุกรรมก็เป็นเหมือนกั น, นก็คือเกิดธรรมดาใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่ามีการเกิดโดยยิ่งว่าคนเนี้ยเป็นคนดำคนเนี้ยเป็นคนขาวคนเนี้ยเป็นคนรวยคนเนี้ยเป็นคนจน นเี่เป็นคนแบบนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ปกติอย่างนี้ไอ้ที่ว่าคุณไม่ปกติเนี่ยก็มันถ้าดูทางการแพทย์แล้วมันก็ปกติไงก็เป็นคนเหมือนกันนะแต่เพราะว่าคุณไปมองตรงจุดที่เขาไม่เหมือนกับคนอื่นเขาก็จึงให้เขาบอกว่าเป็นคนอย่างนี้สภาวะนั้นมันจึงเกิดขึ้นมาความเป็นสภาวะว่าเป็นอย่างเนี้ยมันตามอะไรอะ่ะก็ตามความยึดถือที่คุณไปยึดถืออ่ะ ว่าคนนามันจะต้องขาวเหมือนกันเหรอคนนํามันต้องสีผิวเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมหรือคนนำต้องมีพฤติกรรมแบบนี้ต้องเหมือนกันอย่างนี้ก็จะเพราะคุณไปยึดถือแบบนั้นไงมันก็จึงมีความเป็นสภาวะที่สำหรับคนเป็นเลสเบี้ยนบงังกระเทยบางคนเป็นคนดำบางคนเป็นคนขาวบางแล้วไปบูลลี่เขาประทุกบูลลี่มากๆ ไม่รู้ท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้เปล่าบับุลี่บุลี่เนี่ก็คือถูกแกล้งถูกแซวนะ่ะที่เป็นศัพท์ภาษาสมัยใหม่นะครับประชาชนก็พยายามเรียนรู้ว่าพอถูกแกล้งถูกแซวมากๆพอไม่พอใจเข้ามาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเนี่ยทาไมผู้หญิงได้เงินเดือนน้อยกว่าผู้ชายทั้งทนทีความสามารถก็เท่ากันสแสดงหนังทําเงินได้เหมือนกันหาเงินเข้าบริษัทคิดอ่านการงานได้เหมือนกัน แล้วยิ่งจะเป็นคนขาวคนดำคนเป็น LGBTQ ก็ความสามารถบางทีเก่งกว่าคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นโดยซ้ำอ่าทําไมให้สิทธิเสรีภาพไม่ยอมรับเหมือนการถูกมูลลี่อย่างนี้พวกมาต่อสู้เบื้อสิทธิเสรีภาพใช่ปะนี่แล้วมันมีอุปท า, านมันมีพบอยู่ในนี้คุณเกิดมาเป็นอย่างนี้คุณไม่ได้เกิดมาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกหรอมันก็หรือเป็นนิสัยเป็นอะไรที่เราจับยัดให้เขานะี ไอ้นีว่จับยัดให้เขาเนี่ยมันคือสร้างความเป็นสปาวะนี้ให้เขาแล้วเอาทำไมถึงถูกสร้างความเป็นสปาวะนี้ในสังคมได้เพราะอุปาทานคือความยึดถืออุปทานคือความยึดถือเป็นอย่างไรมีความยึดถือทางการหรือว่าการมุขป่าทานความยึดถือวันนี้ต้องเป็นอย่างนี้นตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างเรื่องของกรรมเนี่ต้องเป็นอย่างนี้ ไอ้ที่ว่าอร่อยอร่อยเนี่ยต้องอร่อยอย่างนี้เช่นคุณบอกว่าอาหารจาน ห, หนึ่งมนันมาเงียก็ข้าเปล่ามันก็กินอิ่มได้เหมือนกันกันกบหูฉลามห้องเต้อะแต่ทำไมคุณจะต้องมายึดถือโอ้โหนี่แบบเดล e กซี่เป็นอาหารที่เลิศรสเลิศหรูแล้วก็ดูดีต้องแบบชนชั้นสูงเท่านั้นที่จะได้กินพวกทานพวกกรรมกรนี่ไม่ได้แต่นะ เห็นนี่ยังไม่ได้เห็นเลยดมกลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงขณะว่าพระนีดมกลิ่นอยู่ในกำแพงวัดยังต้องกระโดดออกมาเพื่อที่จะหาของนี้กินเขาจึงเรีว่าเป็นซุปพระกระโดดกำแพงนี้นะเอา้าก็เรื่องของกาลไงความยึดถือตามไปว่านี่ดีอันนั้นไม่ดีไม่รู้ไม่เลิศทําไมถึงไปยึดถืออย่างนั้นเพระาะว่าเนี่ยเขาก็าจะให้เหตุผลนะไปหาของ มันราคาสูงมีปริมาณน้อยแล้วก็ดูอย่างสเต็กนี้สเต็ก น, น, นี่ก็สเต็กก่อนเนื้อหมูเนื้อวัวธรรมดานี่แหละแต่พอเขาเอามาหุ้มทองโอ้อะไรอ่ะทองคำเลยติดเข้าไปนะแล้วก็กินนะระวั ง, งนะมันมีคนที่ทําแบบนี้ในะโลกนะโอ้นี่ราคา up ขึ้นสิบเท่าอย่างนี้คนดีไปกินนี่โอ้มีสถานะทางสังคมสูงนี่ก็ ต้องใส่สูตรไปกินด้วยนะนี่ก็เป็นสปาว่าแบบนึงเป็นพบแบบหนึง่งทำไมอ่ะเพราะมีความยึดถือในทางกามตนนัวในรัฐกรรมุปบาทานหรืออันที่สองคือที่ถูกป่าเานคือความยึดถือที่เป็นพิธิคือความเห็นอย่างเช่นความเป็นกษัตริย์ความเป็นเชื้อเจ้าอย่างนี้เนี่ยนะความเป็นราชวงศ์สามัญชนอย่างนี้ก็าราชวงศ์ก็มาจากสามัญชนนั่นแหละ แต่ว่าอุปโลกขึ้นมาอเนนันเป็นราชวงศ์นะคือเนี่นมันไล่มาตั้งแต่เรื่องของความเป็นปรามเรื่องของควาเป็นกษัตริย์ในสมัยก่อนนูนะ้นนั่นทำว่ากันนะอ่าปมามนี่เขาบอกว่าเกิดจากปากของพรหมเกิดจากอกของพรหมเกิดจากส่วนที่สูงในขณะที่คนอื่นนี่พบนั่นเกิดจากเท้าของพรหมเกิดจากมือของพรหมไม่สูงเท่าฉันเออก็เกิดจากขันแม่ปะ มหมนี่คือความเห็นมันเป็นทิฏฐิกันมาแล้วนี่เขาเชื่อมาอย่างนี้โอเคไงมันก็แบบก็เป็นทิฏฐิไงความยึดถือซึ่งมันก็ตามไอเดียความเห็นต่างที่ว่าจะปรุงสรร์ปั้นแต่งกันขึ้นมายังมีสีลับพระตูปปาทานยังมีอัตวาทุปปาทานด้วยคือความยึดถือปาทาน ม, ม, มีสอย่างแต่สีลับพัตูปปาทานคือความยึดถือว่า ต้องมีความเป็นปกติศีลและรสแบบนี้อย่างนี้จะเห็นได้ชัดเจนในพวกที่ทำตุกกรกิริยาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ทำกันอย่างดาดืนอยู่ในสวัยพุทธกาลนั้นนี่นะว่าโอเคสองปีนี้นะฉันขอเป็นหมาก่อนทำไมอ่ะก็เพราะว่าจะได้ใช้กรรมให้มันหมดหมดไปซักทำไมอ่ะก็จะได้สิ้นกรรมไงสิ้นกรรมไปได้ไหมสิ้นกรรมก็จะพ้นทุกไง ก็เอาทุกที่ฉันจะต้องได้รับในอนาคตเนีย่ยมาทำกันวันก่อนตอนนี้จะได้พ้นทุกชาติหน้านไม่ต้องมีจบแล้วโอเคฟังดูมีเหตุผลก็จึงแบบว่าเดินสี่ขานะแล้วก็กินอาหารเนี่ยไม่ใช้มือไม่ใช้ช้อนไม่ใช้ซอมใช้ปากนี่ลงไปงับงับเอาเหมือนสุนัขทำเวลาจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะนี่ม่ได้นั่งสองขานะต้องสี่ขายกขาหนึ่งขึ้นแล้วจึงค่อยถ่ายหนักถ่ายเบา เป็นลักษณะที่ว่าประพฤติแบบนี้เป็นศีลรับพรตูปปาทานคือความที่ยึดถือในศีลและพรสของตนว่านี่นี่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วคนที่ทําอย่างเงี้ยเขาก็จะถูกเรียกว่าอ่านั่นคุณเป็นนักบวชนะคุณเป็นนิครนนะมีสภาวะความเป็นแบบนี้ของเขาก็จึงมีการเกิดขึ้นแบบนี้ขึ้นมาว่าอันนี้เป็นนักบวชประเภทนี้ที่เป็นนักบวชในบุรุษศาสนานี่เป็นนักบวชเชนนี่เป็นนักบวชนิกายนั้นนิกายนี้ ก็แปล ว, ว่ายึดถือในข้อปฏิบัติของตนอย่างยิ่งนี้หรือแม้แต่เนี่ยบริเทศไทยธรรมยุทธ์มหานิกายอ่ะเพราะศีลและรสที่แตกต่างกันกูจึงบอกว่านี่พระกลุ่มนี้นี่หอมผ้าสีนี้เนี่ยธรรมยุทธ์พระกลุ่มนี้หอมผ้าสีนี้นี่มหานิกายเออเรายังไงนะก็นี่แหละมันเป็นอย่างงี้แหละจึงมีลักษณะกลุ่มนี้ก็รวมกันขึ้นก็เป็นสภาผ้าของเขาขึ้นพระที่บวชตรงนี้ ก็มีคำบุ๋ยไม่เหมือนกันอีกก็เป็นการเกิดแบบนี้ในนิกายธรรมยุทธ์การเกิดแบบนั่นในนิกายมหานิกายโอ้ยระดับโลกนี่เขายิ่งแตกต่างกันไปอีกอาพระนิกายเชนพระนิกายวชิรยานพระลังกาพระพระม่าพระจีนพระเวียดนามเพราะศีลและพรสไม่เหมือนกันไม่ต้องนนะเอาไกลไปนะเอาตัวเราเองเนี่ยนะทุกฝัพราะขึ้นนะ่ะ พอดังขึ้นว่าแช่แฉ่แฉ่แฉ่แฉ่อะไรนี่จิงจกจิงจกมันทักก่อนออกจากบ้านก็เลยโอโอโ อ, โอเดี๋ยวขอนั่งจิบชากันสักสิบห้านาทีแล้วค่อยออกไปใหม่เพราะว่าเขบาบอกว่าจิงจกทักก่อนออกจากบ้านเนี่ยมันดวงจะไม่ดีก็เลยยังไม่ไปที่มีความเชื่ออะไรแบบเนี้ยแล้วก็จึงต้องทา แบบเนี้คือทําใบแบบนั้นเนี่ยฉันเป็นคนเชื่อทางด้านพวก supersticious มากเนี่ยพวกแบบลักษณะก็เรื่องลางครองครั้งสายมูด้วยอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะความยึดถือที่ว่าเป็นศีลแลประตูปาฏฐานว่าศีลและพ่อพ่อบิบัติอย่างนี้อย่างนี้มันจึงมีสมว า, วาี่แตกต่างกันความเป็นพบที่ไม่เหมือนกันข้อ บ, บิติที่แตกต่างกันต่างๆหูจมูกลิ้นและกายดูอย่างคนดี เขาชอบเล่นพระเครื่องเนี่ยนะทุกฝัง่งนะไปบ้านเขานี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งและขณะคนที่เขาไม่ได้เล่นพวกนี้บ้านเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือการแต่งบ้านความเป็นอยู่อุปกรณ์ข้าวของมันจะบ่งบอกถึงสภาวะที่ไม่เหมือนกันในบ้านของเขานั้งนึ่งมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ตรกฝั่ ง, งดูหิ้งปราอย่างเงี้ยนะคนที่ไม่ได้เป็นสายมูมากเนี่ย หิ่งพระเขเนี่ยจะมินิมอลมากๆเลยแต่ ก, ก็มีภาพถ่ารูปสักองค์หนึ่งแล้วก็มีหนังสือสักเล่มหนึ่งก็แค่นั้นแหละกระถางรูปูกระถางเทียนอะไรเนี่ยไม่มีด้วยซ้ำแต่าคนที่เขาเชื่อเรื่องพวกนี้เนี่ยเราถโถคนจะแบบว่าเป็นหิ่งอย่างอลังการมากๆเลยไม่ใช่แค่หิ่งแล้วมันไม่พอแล้วมันต้องเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะแล้วก็จัดเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วก็มีชั้นที่สองมีแยกไปคมพมัดมันนี้ช่องนี่สายนี้ โอเยอะยามากไม่เหมือนกันสภาวะที่แตกต่างกันนี้ก็ความยึดถือที่แตกต่างกันนั่นเองหรือในอีกข้อหนึ่งคืออัตวะทุปาทานคือการยึดถือว่าวาทานนี่เป็นของตนอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยเวลาเร า, านในพระสูตรเรื่องราวในพระไตรปิฎกนี่มันจะมีพวกที่ยึดถือว่าวาทานี่ยงชนิดเป็นแบบนี้เท่านั้นสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่ยึดถือว่าวาทะนี้อย่างนี้ พวกนี้เราจะเห็นได้ในลนักษณะทางการเมืองนะาหวนะพอเราพูดอะไรออกไปแล้วโดยเฉพาะยิ่งสมัยนี้เนี่ยมันมีร e คอร์ดไม่หมดอะทุกอย่างอยู่ในดิจิทัลทุกอย่างเป็นคลาว d เก็บไว้คุณทวิตออกไปคุณพูดออกไปเขาไปสัมภาษณ์เขาเก็บข้อมูลไว้เนี่ยไอ้คำพูดเราเนี่ยแหละมันกลับมาเป็นนายของเราหรือว่าเราต้องตามตามคำพูดนั่นแหละหรือเขาก็จะมา ทิมแทงเอาเรื่องตรงที่เราพูดไว้นั้นว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในสมัยก่อนนี่คือเขายึดถือถึงขนาดว่าจะปฏิบัติอะไรทำอะไรก็ดูจากคำพูดตรงนี้ของเขาแล้วก็เอาตามที่พูดเท่านั้นก็คือจบเนี่โดยที่ไม่ได้ดูลึกลงไปว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่คือยึดถือเอาตามวาทะนั้นอย่างนั้นเท่านั้นนี่คืออตวะทุ ป, ปาทาน เวลามีอุปทานเหล่านี้แล้วก็จะนําให้เกิดมีความเป็นภพคือสภาวะว่าโอเคฉันก็ต้องทำอย่างนี้ฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้ตามที่ฉันพูดไว้อย่างนี้อย่างนี้ภพจึงมีพระความยึดถือถ้าไม่มีความยึดถือเด็กภพคือความเป็นสภาวะดับไปเลยคือในลักษณะความเป็นสภาวะของการรูปและอารูป์เนี่ยมันอยู่ตรงการมุปาทานเลยคือเป็นโลกเป็นอะไรขึ้นมาละ โลกนี่มันก็คือสร้างตามลักษณะอิจตนะนี่คือโลกที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์เรานะรุกั่งนะแต่โลกที่อยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยที่ว่าเป็นเอิร์ธเป็นมารสเป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นดาวเสาดาวอังคารพวกนี้อันนี้มันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะมันเกิดขึ้นมันดับไปอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวมีไม่มีมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะ แต่ความที่มนุษย์ไปยึดถือว่านี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นต่างหากนั่นแหละในความหมายของพวกที่พระปริญญาอธิบายไวน้นี้แล้วก็ก็จะไปอยู่ในโลกที่เป็นเอิร์ธเป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวเสา์พวกเนี้ตามแต่ตาหูจมูกร่างกายใจอย่างนั้นต่างหากเพราะมีอุปทาจึงมีพบท่านคิดต่อไปอีกตัลงว่าพระอะไรมีนาะ อุปทานคือความยึดถือจึงได้มีเพราะอะไรเกิดเนออุปทานความยึดถือจึงเกิดตไตรตรองใกล้กรวดดูก็ได้คําตอบความรู้ขึ้นว่าอ๋อเพราะตัณหานั่นเองเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานถ้าตัณหาดับไปล่ะให้จะอุปทานดับไปไหมเออใช่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเพราะอะไรดับไปเนอะเจ้าอุปทานจึงดับไป เพราะอะไรไม่มีน อ, อุปทานจึงจะไม่มีได้คาตอบว่ามันคือตัณหาเพราะตัหานั่นเองจึงํำให้เกิดมีความยึดถือตัณหานี่นอะไรตัณหานี่แปลเป็นภาษาไทยว่าความทยานอยากตัณหาความทยานอยากความที่พอใจใครอยากมีอยากได้อยากเป็นทันแบ่งตัณหาไว้สามอย่างคือกามาตัณหา ภวตัณหาและวิภวะตัณหากามาตัณหาก็คืออยากได้สิ่งที่เป็นวัตถุกามที่เห็นได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายห้าอย่างนี้อยากได้สิ่งเหล่านั้นความอยากนี้นั้นนะ่ะความพอใจนี้นั้นนะ่ะความกำนัดยินดีนี้นั้นนะ่ะเรียกว่ากามาตัณหาเกิดขึ้นได้ในกามาวัตถุ ที่ตัวองยังไม่มีหรือมีอยู่แล้วก็ได้อย่างที่สองคือพระบาตนาคือความอยากเป็นอยากเป็นอันนี้อยากเป็นสิ่งนี้อยากเป็นคนแบบนี้ฉันอยากเป็นนายกฉันอยากเป็นสอสอฉันอยากเป็นคนมั่งมีร่ํารวยมีสถานะมีสเตตัสอย่างนี้อย่างเช่นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิง ก, ก็ก็เรียกว่ากระเทย อ, อย่างนี้หรือผู้หญิงอยากเป็นผู้ชาย ก็เรียกว่าเป็นอะไรทอมอย่างนี้นะในความที่อยากที่จะมีสภาวะลักษณะแบบเนี้ยคือตัณหามันจึงมีตัณหาก่อนจึงมีความยึดถือไปแล้วมันคือไปเป็นสภาวะอย่างที่ตัวต้องการเป็นไงความอยากเป็นนี่คือเภาวะตัณหาทีนี้มันก็มาคู่กันว่าถ้าอยากเป็นอย่างหนึ่งก็เลยไม่อยากเป็นอีกอย่างหนึ่งฉันอยากจะเป็นหญิง ฉันไม่อยากจะเป็นชายฉันอยากจะเป็นชายฉันไม่อยากจะเป็นหญิงฉันอยากจะเป็นคนหนุ่มสาวฉันไม่อยากจะเป็นคนแก่ไอ้ความไม่อยากนี่คือไม่ใช่ความอยากดับไปนะความไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่มีนะความไม่อยากไม่ใช่ไม่มีความอยากนะทูฝังความไม่อยากนี่คืออยากเต็มๆอ่ะอยากที่จะไม่มีสิ่งนั้นอยากที่จะไม่เป็นคนแก่ไม่ใช่ไม่อยากเป็นคนแก่นะ มีความอยากเต็มๆนี่หรือเป่าแต่ไม่อยากแก่นั่นแหละคือความอยากไม่อยากเป็นคนจนนะไม่ใช่ว่าไม่มีความจนหรือไม่มีความอยากนะแต่มีความอยากเต็มๆอยากเต็มๆในการที่จะไม่จนในความไม่อยากนี่ก็จึงเรียกวิภา ว, วาตะตระหนักตระหนามีสามอย่างซึ่งมันจะเกิดได้แน่นอนว่าก็ต้องทางตาหูจ ม, มูกรินกายและใจเพราะมันจะต้องไปเชื่อมต่อกันกัน การเกิดคือชาติการเกิดคือชาติคือการที่คุณได้ตาแบบนี้หูแบบนี้คือว่ามเสภาวะมันก็เชื่อมต่อมาจากความเป็นสภาวะเชื่อมต่อมาจากอุปาทานมันก็มาจากไอ้เจ้าตัณหาที่ว่ามีความอยากมีความพอใจเหล่าเนี้ทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจพอใจนี่คุณพอใจอะไรไม่พอใจนี่คุณไม่พอใจอะไรจะพอใจหรือไม่พอใจอะไรเนี่ยตัง้งฝัง มันก็คือความรู้สึกนั่นแหละที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นแหละพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นทางตาหูจ o, มูกลิ้นกายและใจก็จึงมีความพอใจในสิ่งที่เป็นสุขก็จึงมีความไม่พอใจในสิ่งที่เป็นทุกข์มันก็มีความอยากที่อยากจะได้สุขไม่อยากจะได้ทุกข์แต่ถ้าพูดถึงสิ่งภายนอกก็จึงเป็นกามขึ้นมาเป็นกามตัญหาสิ่งที่เป็นปัจจุบันภายนอก ว่าตัณหาสิ่งที่เป็นอยากได้ให้เราเกิดสุขเป็นสภาวะแบบหนึ่งเป็นสถานะอย่างหนึ่งเป็นวิภาวะตัณหาขึ้นมาเพราะตัณหามีความยึดถือจึงมีเพราะความดับไปแห่งตัณหาจึงมีความดับไปแห่งอุ ป, ปาทานคือความยึดถือเจ้าตัณหาละ่ะตัณหาเนี่มันมีได้ไงแต่ ก, กีที่บูดไปคือความรู้สึกถูกเปะละ่าอ๋อตัณหามีเพราะเจ้าเวทนาคือความรู้สึกมันมี เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาถ้าเวทนาดับไปทีไม่มีความรู้สึกอะถ้าไม่มีความรู้สึกว่ามันจะพอใจไม่พอใจตรงไหนยังไงความพอใจไม่พอใจมันจะอยู่ได้ไงมันก็อยู่ไม่ได้ช้ะเวลาท่านจึงได้คําตอบมาตรงนี้ด้วยกันทันทีเลยว่าเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะเวทนาดับไปตัณหามันจึงจะดับไปแล้วเวทนานี่ยมันคืออะไรตัวอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่คือความรู้สึก สุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างที่มันจะเกิดทางไหนได้มันก็ต้องเกิดทางช่องทางเหล่าเดียวกันที่อ้างอิงถึงกันมาเนี่ยแหละคือตาหูจมูกลิ้กนกายและใจะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนะท่านหวังเราก็มีแนวโน้มที่ว่าเราจะฉลาดในอิสตนะได้เพราะมันเอาเรื่องอิยตนะามาอ้างอิงถึงด้วยเราเป็นผู้ฉลาดในอิสตนะแล้ว มันก็มีแนวโน้มว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในทาตก็ได้ด้วยเรราะอตนานี่มันเจาะลึกแ ย, กแ ย, กแยกอ่ออกไบก็เป็นทธาตุของมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วด้วยเลยธรรมา่ยมันจึงเกี่ยวข้องกันอยู่นะวันนี้ท่านฟังเราคงได้แค่ครึ่งเดียวได้ถึงเจ้าเวทนาคือความรู้สึกว่าความรู้สึกนั้นเป็นเหตุของตัหาความรู้สึกนั้นถ้าดับไปตนาก็ดับไปความรู้สึกในที่นี้มาจากคําว่า เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางตาหูจ ม, มูกลิ้นและกายในสัปดาห์หน้าเอพิส od หน้าดูฝังเราจะมาอธิบายกันในคู่ต่อๆไปเราจะมาเริ่มกันจากเรื่องของความรู้สึกแล้วก็จะให้ไปถึงเรื่องของนามรูปวิญญาณสังขารอวิชาซึ่งตรงกลางๆมันไปไดเร็วแล้วก็จะไปถึงในตรงหัวมันเกือบวิชา ก็จะมาอธิบายกันละเอียดยิ่งขึ้นในเอพิโซดหน้าคิดว่าในซีรีส์เรื่องของปฏิจจสมุป บ, บาทนั้นก็จะเป็น4ตอนดังฝังมีเป็นเอพิโซดตอนที่2อธิบายถึงอาการ6อย่างของปฏิจจสมุป บ, บาทตั้งแต่เรื่องของความทุกข์คือความแก่ความตายความเกิดความเป็นสภาวะคือพบ ความยึดถือกูฏารันตันหาและอาการที่หกนั้นคือเวทนาในเปอร์สโตรหน้าคือเปอร์สโตรที่3ก็จะพูดถึงแต่ละอาการที่มันจบไปเราก็จะมีรายละเอียดของความเกิดและความดับอีกแบบหนึง่งส่วนในเปอร์สโตรที่4นั้นจะพูดถึงลักษณะที่ว่าจะทำยังไงให้อวิชชานี่มันดับไปจะอีกสายหนึ่งที่เป็นสายของกุศลธรรมในช่วงของ ได้ร่มบพธิบทนั้นจะมาพบกับตรมูุฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5้ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกลุมประชาสัมพันธ์ธรมุฟังสามารถติดตามรับฟังซีรีส์เรื่องของปฏิจจสมุบาได้ตั้งระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูนิธิปัญญาปาวนาที่ปัญญา org panya.org ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูนอาพิปุนองแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุฬาภรณ์